ปีนี้พระพุทธเจ้าตัดสรู้นะนว่าเป็นหกร้อยปีสองพันหกปีนี่แหละพระพุทธองค์ได้ค้นคว้าศึกษาทดลองอยู่ตามลําพังพระองค์เองจนได้ตัดสรู้ในวันเดือนหกเพนนนะ่ยอันนี้ก็คือตัวอย่างพระพุทธองค์ลําบากขนาดไหนเพราะฉะนั้นพวกเรามาไหว้พระสวดมนต์มานั่งภาวนาอยู่ตามลําพังอย่างนี้